กันหนะักบางคนเารียนออกเขตกันแล้วกันนีบบ่มันต้องทำกันได้อา่านื้อการสร้างกับเมืองกาใครจะมาลําดับโครงสร้างอไงก็ได้อย่างนี้นล้วเราก็มีการทํากันนะครับภาษาบางทีเราก็บัญญัติของท่านก็แปลจำนวนแปลเนี่ยนะแต่และคนก็จะมีํานวนการสอนธรรมะต่างกันการจั บ, บ, บแยกประเภทจะมันไม่ถึงกับการกระทบกระเทือน ถ้าทำที่พระเทศแน่นอนเป็นที่รับรู้มันอยู่แล้วเช่นมักคแปดที่ไปยกไปยุบ ไ, ไปเติมเลยนะ <c oughs> นั่นเดียวมีผ่าผ่าที่จะแยกแบบไปสร้างโครงนะฮะสร้างโครงอย่างเตั้งแนวที่จะเขียนธรรมะหรือพูดธรรมะมาสักเรื่องแล้วก็ตั้งโครงอย่างที่เราเห็นว่ามันสมควรที่เราถนัดที่เหมาะตามดูวินิจฉเราก็อาจจะได้อย่าให้ไปกระเทือนข้างในไปแล้วกัน มัก็เปลี่ยนแปลงได้ประเด็นนั้นที่พี่เจ้าปรเทพเลยเนี่ยผมยังเคลีได้นะผมก็เคยพูดเสียได้ตรงที่ตอนจริงการบันทึกเขา้าไปบิดกตั้งแต่แรกเนี่ยผมอยากจะให้บันเป็นแบบบันทบไประจำวันถ้าบันทึกอย่างนั้นแล้วก็ไอ้ข้อที่จริงไม่ค่อยเคลื่อนนะเราจะอ่านเหตุการณ์อะไรจลออกหมดอ่านธรรมะอะไรต่างๆนี่ออก ออกมันจะต่อเหตุการณ์จะบอกแต่ตามมาสังขยาคาือพันคำนิถึงันงตัวหลักวิชาก็มาสังขย า, าเป็นเป็นระบบทางวิชาขึ้นไอ้ความเ่อจริบางอย่างเนี่ยเราเราก็เสียดายที่ควรจะดูตามวันเวล า, าต่างมันก็เกิดปฏิปต่ อ, อยากก็น่าเสียดายเพราะนั้นพระติวิตกถ้าไปจะได้เนี่ยควรจะมีชุดแบบธรรมาชาติหรือ ช, ชุดบันทึกจังหวะ แล้วก็มีชุดทําเป็นลูกพิชาการอีกหลายชุดก็ได้ผมผมนึ ก, กว่าอย่างนั้นนะรู้สึ ก, กว่าอย่างนั้นคือบันทึกกันแบบซื่อๆเนี่ยเคยผมเคยนึกโอ้ยางตัวตัวแยง่ยยแยงกันแต่อย่างเัื่งการไปย่งมกฐธรรมะของพระเจ้ามากอย่างอย่างอ่ามายานนีนะ บางทีคนสายมหมายยานเข้าไม่ใช่คนโงอ่อย่างคนเอศาสนาทีามาทางใต้ไปลังกาเนี่ยถามว่าโดยโดยคนเนี่ยครับคนทางเหนือที่เป็นปวกมหมายานเนี่ยเขาโง่คนทางใต้หรือคนจีนเข้าไม่ฉลาดหรือแล้วธรรมะทาไมถึงออกไปอย่างนั้นนะคนลังกาแขกลังกาฉลาดหรือแขกอินเดียใต้หรฉลาดหรือ ดูความสามารถทางปัญญาแล้วก็อาจจะตั้งคนทางเหนือไม่ได้พวกอริยากานะพวกตะรวเดียนทางใต้นี่ยอาจจะได้ด้อยดึงกว่าคนทางเหนือได้ตามแต่ในอีกมุม ห, หนึ่งนยครับก็เป็นประโยชน์คืประโยชไม่ได้ที่ว่าคือคนที่รักษาธรรมะไว้อย่างซื่อๆไม่ฉลาดมากเนี่ยครับของเต็มอยู่มากนะของเต็อยู่มาก ไอ้ตลาดมากไปยุ่งว่ า, าน์มากที่ไอ้ความเจริญของของเราไม่เหมือนกับพุทธเจ้ากระดามแม่ธรรมะเสียหายด่เหมือนกับไอ้วัฒนธรรมประเพณีของเราเนี่ยไอ้ในเมืองคนฉลาดไม่เคยเหลือนะเราจะศึกษาอะไรที่มันเก่าๆภาษาเก่าๆธรรมเนียมเก่าๆต้องไปมันนอกนอกันนอกถึงจะเห็นไอ้ลองลอยของดี เ, เก่าๆถึงอยู่นั้น ยิงสรนเสริญกว่าเจรวาดเนี่ยธรรมะบริสุทธิ์กว่ามหายานก็นเจรวาดเราไม่ไปยุ่มมาไม่ไปเรียกว่าไม่ไปทํำฉลาดจะบธรรมะมากเกินไปนี่ก็ก็เปลี่ยนนะครับอย่างพระไตรเด็กเนี่ยก็พัฒนารูปแบบอย่างรวมๆระบบธรรมะทั้งหมดรวมว่าพัฒนามาเรียก เราถ้าเราดูให้ดีเราสามารถจะสังากตล่องลอยได้เลยว่าขยับขยืขย่นมาอย่างไงแล้วก็โยงถึงกันได้หมดถ้าใจบิดกบแม้แต่พระสูตเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเก่าทั้งหมดมีใหม่มีตัดทอนมีอะไรแล้วก็ไอ้ที่ตุ๊กตาเจ้า่อนว่าไม่ขาดหายไปก็เยอะยิง่งจะลองแสดงธรรมดตอนยังลุงล้งและไม่เห็นบอกอยากแสดงเรื่องอะไรไว้ที่ไหนนะไม่มีอ่ะเนี้มีมาก หรือทรงฉันพรตทหารในบ้านของกระหราบดีคนนี้แล้ได้ทรงแสดงธรรมมกคาถาอย่างความเบิกบานอย่างความอะไรให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีแสดงว่าที่ให้หายก็เยอะนะหาที่ที่เต็ยงไม่มีบางแห่งก็ไปมีอยู่ที่อื่นแต่ส่วนส่วนมากลักษณะเยี่ยก็ไม่มี ไปเยข้างบนเนี่ยได้เรายอมรับแต่ข้างล่างไม่ได้ใครจะไปเปลี่ยนธรรมชาติไม่ได้ไม่ว่าเปลี่ยนการสอนได้แต่เปลี่ยนธรรมชาติไม่ได้ ไ, ได้ครับยังไม่สมควรเป็นประเภทธรรมเพื่อที่ว่านี่ยยังไม่ได้ททยดแยกรายละเอียดนะอันจริงถ้าเอามาพูดกันในชั้นก็ต้องดึงประเภทดึงตัวอย่างอะไรมาให้ดูันจริงจรงจังแตอง่อย่างที่พระสารีบุตรท่า น, สนแสดงสังคีตีสูตรเนี่ยต้องไปการับรองใช่ไหมรับรองว่าดีประทรงประา หลังบุตแสดงตอนที่วิจ้าทรงแสดงแล้วขอพักผ่อนให้ประสิบุตรแสดงต่อประสริบุตรก็ได้ลำดับประเภทธรรมเป็นตัวอย่างของอังคุตระนิการที่สะสังกีติาจารย์มาสัญนากันหลังกุตการเนี่เป็นตัวอย่างที่ถือว่าเป็นสัญญาแบบตัว่างของอังคุตระนิการในทศตระสูตรกับสังกีติสูตร เราเริ่มมาจากไหนธรร ม, มะประเภทธรรมแล้วก็มาจากธรร ม, มะทั้งผืนะเราไปเจาดูก็ได้ธรร ม, มะที่ทรงสแสดงทั้งผืนถ้าเราจะเอาข้อเราก็ตัดัเฉพาะส่วนที่เป็นข้อทีิมงส่วนอื่นบางบางสูตรตก็ทรงแสดงไว้แค่นั้นจริงๆสแสดงเป็นข้อว่าไม่มีไอ ต, ต, ต, ตัวเรื่องอะไรมากแต่ว่าอีกหลายแห่งเราก็เห็นว่าได้ไปดึงออกมาจากสูตรใหญ่ ที่มีตัวเรื่องอยู่แล้วแล้วบันทึกไว้ทั้งสองที่สามที่มีฮะดีเอ่อมีครับมีมคมว่าศาสนาภาษาสนา่งหรืออนุสาสนีอนุสาตอนุสาสนานี่นะอ่า ใ, ใช้เป็นคำกลางนะถ้าสมัยนั้นนะแต่ว่าที่ใช้ในในพระไตรปิฎกเนี่ยตัวใช้ในไม่ได้หมายถึงศาสนาเป็นเป็นสถาบันแต่หมายถึงคำสอนหมายถึงคำสอนเคยกัมีค่าต่อคำวกคตา เมื่อเขาพูดเฉพาะปัญหาทางศาสนาพุทธครับอโอ้เอ่อรู้สึกจะเปนชั้นหลังนะรู้สึกจะเป็นชั้นหลังผมผมตรวจดูเหมือนกันว่าเป็นเป็นการคุมระบบที่หลัง ปฏิบัติปฏิบัติเว้ไม่แม้ในในติกนิบาตไม่มีเพราะว่าการคมระบบเนี่ยตระถาต้องกระทำไว้มากถือว่าเป็นการเดียนแปในรุ่นหนงตระถาแต่ว่าเขาเคยไปฝึกกันมาตั้งแต่บรรดาอาจารย์อาจารย์อาจารย์เดยนถึงไปถึงอาจารย์สมัยพุทธกาลแล้วก็ถ่ายทอดกัน ในการคุมระบบนั่นหลังๆเนี่ยบางทีก็ดีมากเลยทีเดียวหลายเรื่องเลยนะฮะอย่างเรื่องศาสนาสามเป็นต้นแต่ว่าศาสนาสามเนี่ยมันไปไปเสียเกี่ยวกับโคตไปมีเช่าวโมโหอยู่ตรงที่ปริยัติปฏิเวทปฏิบวทเนี่ยเกิดไปแค่เฉพาะโลกุตละซึ่เราเอามาใช้เป็นผลนมแบบทุกระดับไม่ค่อยจะเต็มความรู้สึกนะ แต่เราก็ใช้กันแบบกลรงกลงแกลปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหมายถึงเอาธรรมะระดับไหนไปใช้ก็เป็นผลขึ้นก็หรือเป็นปฏิเวทคราวหน้าก็จะขึ้นชุดใหม่ก็จแจกเลไรเจอครับเรื่องเรื่องอะไร สถานีตัวเนี่ยผมผมจะขอข้ามไปนี่จะตะดวกไหมเนี่ยมันจะมีติดขดดัดอยู่กพบางคนเกี่ยวกับเรื่องกุนศนอสาสวะสังโยชน์อะไรเป็นเป็นกลายเป็นความรู้คลิความรู้ไปนะ แบบอย่างนี้แล้วก็มีปัญหนาพูดสรุปเร่งนี้ก็นึกออกได้หรือพิจนารณาดีทีว่าถ้าจะขยายกันก็จะขยายทีแล้วก็ต่อเรื่องมานก็คงแายุายติจริงแค่นี้ครับ